บทที่71เอเจ้าหมีถึงวันนี้เจ้าหมีคนโตเป็นหนุ่มเต็มตัวเช่นเดียวกับเจ้าโฮมและเจ้าขาวน้องร่มท้องที่ลืมตาดูโลกในวันเดียวกันกับมันกิจกรรมสำคัญของเจ้าหนุ่มสามตัวนี้ก็คือการสอดสายสายตาเลงหา ผู้ชชมบรรดาสาวๆที่นางบุญพาให้สมยาว่าอีพวกแม่ไม้ผัวทิ้งซึ่งมักจะพากันป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆกุติเพื่อชะม้อยชะไม้ชายตาให้สามหนุมด้วยความสนิทเสนหาเจ้าโฮมกับเจ้าขาวพากันตกหลุมรักไม้สาวไปเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกที่ศบตากันยังเหลือแต่เจ้าหมีที่ยังไม่พลาดท่าเสียทีหรือยอมตกกอง ปล่องชิ้นกับตัวใดมันคงไม่อยากเป็นมือสองรองใครอื่นให้ต้องเสียชั้นเชิงชายหรือไม่ก็คงถือคติข้าเป็นหนุ่มทั้งแท่งควรหรือจะมากินแตงเถาตายหรือมันอาจคิดว่าอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ก็ไม่อาจมีใครรู้ได้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือเจ้าหมียังคงกรองตัวเป็นโซดไม่ยุ่งยิ่งสูงสิงกับไม้สาวตัวใดให้ต้องเสียความบริสุทธิ์ผุดพอง รักใกลของนายขุนทองยิ่งกว่าน้องสองตัวของมันข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือเจ้าหมีนั้นดูเหมือนจะเป็นหมาที่ถือเนือ้อถือตัวเป็นพิเศษผิดแผกจากหมาทั่วๆไปกกราวคือมันไม่ทำตัวสนิทสนมกับใครง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าหมาด้วยกันก็ตามทียิ่งพวกเด็กๆ ด, ด้วยแล้วดูจะไม่อยู่ในสายตาของมันเอาเสียเลย แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เคยปรากฏว่ามันทำร้ายผู้ใดอย่างมากก็แค่แยกเกี้ยวใส่เท่านั้นเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนท่านพระครูลงรับแขกตามปกติตามตารางที่นายขุนทองเป็นผู้จัดให้เจ้าหนุ่มสามตัวเหมือนกับจะรู้ล่วงหน้าว่าวันนี้พวกมันมีแขกมาหาแล้วก็เป็นแขกตัวจริงเสียด้วยผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ที่หน้ากุฏิ ที่เจ้าโฮมเจ้าขาวและเจ้าหมีนอนเรียงรายกันอยู่คนที่หน้าตาเหมือนแขกหยุดจ้องเจ้าสามตัวด้วยท่าทางเหมือนจะตกตะลึงเพื่อนที่มาด้วยต้องสะกิดให้หล่อนคลานเข้าไปนั่งข้างในกุฏินั่งลงแล้วหล่อนก็ยังหันไปมองเจ้าสุนัขสามตัวตาไม่กระพริบจ้องไปจ้องมาน้ำตาหล่อนก็ไหลพรากพรากยังไม่อาจจะกลั้นได้ เมื่อถึงคิวเพื่อนที่มาด้วยกราบท่านพระครูสามครั้งแต่ตัวหล่อนไม่กราบด้วยเหตุผลที่ว่าหนูกราบหลวงพ่อไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะหนูเป็นมุสลิมาศาสนาอิสลามเขามีข้อห้ามไม่ให้าศาสนากราบไหว้พระหรือบวชในาศาสนาอื่นหลวงพ่อคงไม่ว่าหนูนะคะไม่ว่าหรอกจ้าหลวงพ่อกลับชื่นชมซิเอกว่าหนูเป็นคนเคร่งาศาสนา ดีกว่าชาวพุทธบางคนที่ไม่เคยเข้าวัดเลยด้วยซ้ำแต่หนูนับถือศาสนาอื่นก็ยังอุตส่ามาวัดที่จริงหนูไม่ควรมาหรอกคะ่ะเพราะคนที่เขาถือเคร่งจริงๆเขาจะไม่มาวัดของศาสนาอื่นแต่หนูไม่เคร่งถึงขนาดนั้นหลอนหันไปดูเจ้าหมีเจ้าโฮมและเจ้าขาวปากก็ถามว่าหลวงพ่อคะสุนัขสีดาตัวใหญ่นั่นชื่อเจ้าหมีใช่ไหมคะทาไมหนูรู้ล่ะ ถูกแล้วมันชื่อเจ้าหมีท่านพระครูตอบก็เขาไปหาหนูค่ะสาวมุสลิมว่าไปหาที่ไหนนี่หนูมาจากไหนกันจ๊ะมาจากบางมดค่ะบางมดฝั่งทนบุรีเพื่อนที่มาด้วยถือโอกาสพูดบ้างแล้วเจ้าหมีไปหาหนูที่ไหนละ่ะหรือว่าไปหาถึงบางมดโน่นท่านเจ้าของกุฏิสงสยัย ค่ะหลวงพ่อแต่เข้าไปหาในฝันนะคะไปกับอีกสองตัวนั่นเรื่องมันแปลกมากเลยค่ะหลวงพ่อแปลกที่สุดในโลกคนเล่ามีท่าทางตื่นเต้นแปลกยังไงล่ะหนูเล่าให้หลวงพ่อฟังได้ไหมได้ค่ะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูฝันเห็นเขาทั้งสามตัวเลยค่ะผู้ที่นั่งณนะที่นั้นพากันหัวเราะและคิดในใจว่าหล่อนเพี้ยน แต่ท่านพระครูไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะหากไม่ใช่เรื่องจริงหล่อนคงไม่ลงทุนมาถึงที่นี่วัดนี้มักจะมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอๆ เ, เล่าต่อไปสิหนูหลวงพ่อกำลังฟังสาวมุดสลิมจึงเล่าต่อว่าในฝันหนูกำลังนั่งร้องไห้คือหนูปลูกบ้านให้คนเช่าค่ะหลวงพ่อและหนูก็ถูกโกงค่าเช่า เขามาเช่าอยู่พอใกล้จะสิ้นเดือนก็หนีไปโดยไม่จ่ายเงินหนูก็ขาดทุนทุกเดือนจนเป็นหนี้เป็นสินเพราะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแทนคนเช่าหนูกมรุ่มใจนอนร้องไห้ทุกคืนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูก็นอนร้องไห้จนหลับไปแล้วหนูก็ฝันเห็นเขาทั้งสามตัวเจ้าหมีถามหนูว่านะ้านะ้านะร้องไห้ทำไมหนูก็ตอบว่านะถูกโกงค่าเจ้า เขาก็บอกว่าน้าไม่ต้องร้องไห้หรอกไปหาหลวงพ่อวัดป่ามัมม่วงสิหลวงพ่อท่านช่วยได้แล้วเขาก็บอกชื่อหลวงพ่อชื่อจังหวัดและก็ชื่อเขาพ่อหนูตื่นขึ้นมาภาพในฝันยังแจ่มชัดอยู่ในความคิดแต่ว่าหนูลืมชื่อจังหวัดหนูจึงไปถามเพื่อนๆที่นับถือาศาสนาพุทธว่ามีใครรู้จักวัดป่ามัม่วงบ้างก็หาคนรู้จักไม่ได้ บังเอิญเพื่อนคนนี้เขามีญาติซึ่งเคยมาวัดนี้เขาก็เลยบอกทางให้หลวงพ่อต้องช่วยหนูนะคะคนเล่าสรุปลงท้ายด้วยการขอความช่วยเหลือผู้ที่นั่งฟังและคิดว่าเป็นเรื่องเลวไห ล, หลไม่น่าเชื่อกลับพากันเปลี่ยนใจมาเชื่อเพราะอย่างน้อยเจ้าหนุ่มสามตัวที่นอนเรียงรายอยู่หน้ากุฏิก็เป็นพยานหลักฐานได้เป็นอย่างดี แม่เจ้ามีนี่มันใจบุญจริงๆอุตส่าห์ไปช่วยเขาถึงบางมดโน่นท่านพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู่เต็มกุฏิสงสัยว่ามันกลัวอาตมาจะไม่มีงานทำเลยไปช่วยหางานมาให้เจ้ามีนี่มันสำคัญนักท่านพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อต้องช่วยหนูนะคะคนเป็นมุสลิมยาม้าจะให้ช่วยอะไรล่ะจ๊ะ ช่วยให้คนดีๆมาเช่าบ้านหนูจะได้ไม่ถูกโกงค่าเช่าค่ะแต่คนดีๆนั้นหายากนะหนูนะหายากยิ่งกว่า ง, งมเขียงในมหาสมุทรเสอีกท่านเจ้าของกุฏิเปรียบเทียบงมเข็มค่ะหลวงพ่อถ้าเขียงไม่ต้องงมเพราะมันลอยน้ำได้เพื่อนของสาวมุสลิมแยง้งอ๋ออย่างนั้นหรอกหรือโอ้โห ถ้า ง, งมเข็มก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะซีหรือหนูว่ายังไงท่านถามคนนับถือศาสนาอิสลามแต่ถึงจะยากยังไงหนูก็เชื่อ ว, ว่าหลวงพ่อต้องช่วยได้ค่ะไม่งั้นเจ้าหมีเขาคงไม่ลงทุนไปเข้าฝันหนูหลวงพ่อช่วยดูด้วยนะคะได้โปรดเถอะค่ะลอนวิงบอลเอาละช่วยก่อดช่วยเจ้าหมีจะได้ไม่เสียหน้าหนูสวดมนต์เป็นไหมล่ะจ๊ะ สวดอิติปิโสได้หรือเปล่าสวดไม่เป็นค่ะแล้วก็สวดไม่ได้ด้วยเพราะาศาสนาหนูเข้าห้ามแล้วาศาสนาหนูมีสวดมนต์หรือเปล่ามีค่ะก่อนละหมาดเราต้องสวดมนต์ถ้าอย่างนั้นก็สวดไปตามที่าศาสนาหนูสอนก็แล้วกันพอสวดเสร็จก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอ๋อถ้าหลวงพ่อจะให้พระบรมชายาลักษ ของในหลวงรัชการที่ห้าหนูไว้บูชาจะได้หรือเปล่าศาสนาเขาห้ามไหมไม่ห้ามค่ะถ้าเป็นในหลวงเขาไม่ห้ามแต่ถ้าเป็นพระจึงจะห้ามค่ะงั้นก็ดีแล้วหลวงพ่อจะให้หนูไปหนึ่งแผ่นหนูเอาไปใส่กรอบไว้บูชาแล้วก็อธิษฐานขอบารมีของพระองค์ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกมานี่นะ ไม่เกินสองเดือนรับรองรูปผลหนูจะทำได้ไหมละ่ะได้คะ่ะหลวงพ่อหล่อนรับคำแข็งขันและดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้พูดกับท่านเจ้าของกุฏิว่าหลวงพ่อคะหนูมีอะไรบางอย่างจะสารภาพกับหลวงพ่อคะ่ะมีอะไรล่ะจ๊ะสารภาพอะไรคือหนูยอมรับว่าก่อนหน้านี้หนูไม่เคยนับถือพระเลยคะ่ะ ไม่ใช่ว่าเพราะหนูนับถือศาสนาอิสลามหรอกนะคะแต่เพราะหนูไม่เคยเห็นพระดีๆสักคนเดียวเมื่อก่อนนี้บ้านหนูอยู่ติด ก, กับวัดลุ่มหนูเห็นพระที่วัดนั้นเปิดเพลงเต้นล็อกกันทุกวันหนูเคยโผล่หน้าต่างออกไปจ้องดูหมายจะให้พวกเขาอายแต่นอกจากจะไม่อายแล้วเขายังกวักมือเรียกหนูบอกโยมมาเต้นด้วยกันไหมล่ะโยมหนูก็ด่าไปว่าขอโทษนะคะหลวงพ่อ อย่าหาว่าหนูหยาบคายนะคะหลอนหยุดเล่ากล่าวคําขอโทษแล้วจึงเล่าต่อหนูก็ด่าไปว่าไอ้พระบ้าไอ้พระลามกหนูด่าไปอย่างเนี้ยบาปไม่ค่ะหลวงพ่อหลอนถามถ้าจะบาปพระพวกนั้นท่านก็บาปกว่าหนูแหละเป็นพระเป็นเจ้าไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรท่านพระครูตำหนิติเตียนนั่นสิคะ พอหนูดาป้าหนูได้ยินเลยมาช่วยด่าอีกคนและป้าก็ยังขู่ว่าจะบอกตำรวจพวกเขาก็เลยเลิกเต้นวันต่อๆมาเวลาเขาจะเต้นกันเขาก็จะปิดหน้าต่างมิดชิดได้ยินแต่เสียงเพลงดังออกมาป้าหนูเขาเกลียดพระมากเลยค่ะหลวงพ่อป้าว่าพวกพระนะ่ะเก่งอยู่สองอย่างเท่านั้นคือดูหมอดูกับให้หวยนอกนั้นไม่ได้เรื่องสักอย่าง แต่พระวัดนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ป้าหนูว่านะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยดูหมอเหมือนกันแต่เลิกไปแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วจนเรื่องให้หวยหลวงพ่อไม่เคยทำวันหลังหนูชวนป้าเข้ามาด้วยสิหนูหลวงพ่อให้มาพิสูจน์ว่าวัดนี้ไม่เหมือนวัดอื่นนะหนูนะป้าคงไม่มาหรอกค่ะเพราะเขาเคร่งศาสนามาก ไปประกอบพิธีฮัทที่เมืองมักกะทุกปีนิทะปะรู้ว่าหนูมาวัดคงโกรธน้าดูเลยแล้วหันไปกำชับเพื่อนสาวว่านิดเธอต้องปิดเป็นความลับนะห้ามบอกป้าฉันเป็นอันขาดตกลงแต่เธอต้องให้สินบนฉันนะเพื่อนหล่อนว่าหลวงพ่อคะคนที่นับถือาศาสนาพุทธเขาชอบเรียกสินบาทค่าสินบนอย่างนี้ห่ะคะ สามุสลิมถามท่านพระครูก็ไม่ทุกคนหรอกหนูที่เข้าดีๆก็มีแต่หนูอาจจะโชคร้ายสักหน่อยที่มาเจอแบบนี้แหมหลวงพ่อหนูพูดเล่นต่างหากละคะคนเป็นพุทธแก้ตัวแต่ถ้าได้จริงๆก็ดีใช่ไหมละ่ะท่านพูดแทงใจดำก็ดีเหมือนกันคะ่ะโท่หลวงพ่อใครบ้างจะไม่อยากได้เงิน หญิงสาวพูดตรงๆเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องพูดอ้อมค้อมเสร็จธุระแล้วหนูถือโอกาสลาหลวงพ่อละค่ะหล่อนเอิยปากลาหากไม่ได้กราบได้เกรงว่าจะขัดต่อคำสอนในาศาสนาของตนส่วนเพื่อนหล่อนกราบท่านพระครูสามครั้งแต่ไม่ได้เอิยปากลาผู้หญิงสองคนลุกออกไปแล้วผู้ชายคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่า เป็นไปได้หรือครับหลวงพ่อที่สุนักจะไปเข้าฝันคนโยไม่เชื่อใจไหมท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามเชื่อครับแต่ก็อยากได้รับคำยืนยันจากหลวงพ่อเพื่อให้มั่นใจบุรุษนั้นตอบถ้าอย่างนั้นอาตมา ก, ก็ขอยืนยันว่าเจ้าหมีมันไปเข้าฝันแม่หนูคนนั้นจริงๆโยอาจสงสัยว่ามันเป็นหมาทาไมถึงทาได้ ที่มันทำได้พราะชาติที่แล้วมันเกิดเป็นคนญาติโยมอยากรู้เรื่องราวของเจ้าหมีไหมละ่ะอาตมาจะเล่าให้ฟังอยากฟังไหมอยากฟังค่ะอยากฟังครับสตรีและบุรุษที่นั่งอยู่ณที่นั้นตอบพร้อมกันท่านเจ้าของกุฏิจึงว่า ตกลงเมื่ออยากฟังอาตมาก็จะเล่าแต่ก่อนอื่นญาติโยมต้องเชื่อเรื่องพบชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าเราต้องเวียนตายเวียนเกิดกันไม่รู้ว่ากี่ร้อยชาติกี่พันชาติเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเทพพยายดาบ้างแล้วแต่กรรมทิธรรมเรื่องการเวียนว่ายเนี่ยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในคัมภีร์พระไตรปิฎก ญาติโยมคงจำกันได้ว่าในวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ต้นอสัตถพฤกษ์นั้นในยามต้นทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือทรงละลึกชาติแต่หบนหลังได้อันนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า การเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงเราไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียวอย่างที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกันแต่ทีนี้ทำไมบางคนถึงระลึกชาติได้ทำไมบางคนระลึกชาติไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เขาไปเกิดเช่นสมมติว่าในกอตายไปตกนรกพอหมดกรรมจากนรกก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน จากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์เองถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะระลึกชาติไม่ได้คือจำชาติที่เคยเกิดเป็นนายกอไม่ได้เพราะระยะเวลาที่จะมาเป็นมนุษย์อีกนั้นมันถูกขั้นโดยการไปเกิดในนรกกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานที่นี้สมมติอีกคนหนึ่งสมมติว่านายกเกิดเป็นมนุษย์พออายุได้ยี่สิบปีก็ตาย อุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อตายไปได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเขาเริ่มรู้ประษาเขาจะจำชาติที่แล้วของตัวได้เพราะช่วงระยะเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์มันสั้นและต่อเนื่องกันจึงทำให้เขาจาอดีตได้เปรียบเทียบให้ใกล้ตัวเข้ามาอีกเช่นอย่างกับตัวเรานี่นะเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเราเมื่อวาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อยี่สิปีที่แล้วโยมคิดว่าโยมจำอันไหนได้ที่เกิดเมื่อวานหรือที่เกิดเมื่อหยิบสิบปีที่แล้วที่เกิดเมื่อวานค่ะสุภาพสตรีคนหนึ่งตอบถูกแล้วเราจะจำสิ่งที่ใกล้ตัวได้ก่อนสิ่งที่ไกลตัวทีนี้กรณีของเจ้าหมีก็เหมือนกันเมื่ออัตมาเคยสัมภาษณ์มันแล้วนะมันรู้ภาษาคน พระชาติที่แล้วมันเคยเกิดเป็นคนเพียงแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นในเมื่อมันพูดไม่ได้และหลวงพ่อสัมภาษณ์มันได้ยังไงล่ะครับบุรุษหนึ่งสงสัยยอมอยากรู้จริงๆหรือว่าทำไมอาตมาถึงพูดรู้เรื่องทั้งที่มันพูดไม่ได้อยากรู้ครับเขาตอบไม่อยากหรอกโยมเพราะถึงมันจะพูดไม่ได้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาพูด ใช้ภาษาจิตสัมภาษณ์มันอย่าลืมนะภาษาจิตนี่เป็นภาษาสากลถ้าต่างคนต่างฝึกจิตจนถึงขั้นสื่อสารกันได้ถึงจะต่างชาติต่างภาษาก็คุยกัน ร, รู้เรื่องถ้าโยมอยากพิสูจน์เรื่องนี้ก็ต้องพยายามฝึกจิตด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าจิตถึงขั้นนะโยมก็จะสามารถพูดกับคนต่างชาติได้ แบบนี้ก็แปลว่าเจ้าหมีมันต้องฝึกจิตด้วยใช่ไหมครับมันถึงได้คุยกับหลวงพ่อรู้เรื่องบุรุษนั้นถามอีกเป็นเดรัจฉานทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมเพราะการเกิดเป็นเดรัจฉานถือว่าเกิดในอบายภูมิหมดโอกาสที่จะประกอบกุศ ล, ลกรรมแต่ที่นี้ที่เจ้าหมีมันทาได้เพราะมันมีสัญญาคือการจำได้หมายรู้ มันมีสัญญาติดตัวหลงมาจากชาติที่เป็นมนุษย์จึงสามารถฟังภาษามนุษย์ได้รู้เรื่องทั้งที่พูดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะแปลกแต่ก็จริงแล้วมันเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ายังไงบ้างครับคนถามอยากรู้มันเล่าว่าเมื่อชาติที่แล้วก่อนมันจะมาเกิดเป็นสุนัขมันเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมรนาโยคของวัดนี้มาก่อน และที่ต้องมาเกิดเป็นสุนัขพระกรรมที่มันไปชอบเลียรายเงินเข้ามาทำบุญเรียรายเก่งมากแต่ตัวเองไม่เคยเรียรายตัวเองเลยแต่มันจะทำบุญแต่ก็เป็นเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองในที่สุดมันก็เลยต้องมาเกิดเป็นสุนัขแต่เรื่องกรรมมันซับซ้อนนะโยมมันซับซ้อนมากเจ้ามีมันจะต้องมีกรรมอย่างอื่นมาส่งผลด้วย บวกกับกรรมที่ไปเอาเงินคนอื่นมาทำบุญจึงทําให้ต้องมาเกิดในอบายภูมิคือมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้เกิดที่วัดนี้หรอกแต่ล้านชายของอาตมาเอามาจากบ้านเขาซึ่งอยู่คนละอำเภอพอมันมาอยู่ที่วัดมันก็จำได้เพราะเคยอยู่มาตั้งแต่อดีตชาติท่านไม่ได้บอกพวกเขาว่า ก่อนที่มันจะมาเกิดเป็นมขนายกก็ได้เกิดเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่เป็นแม่ทัพที่ไม่บอกเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ก็จะพากันคิดว่าท่านเพี้ยนเอาละ่ะยุติเรื่องของเจ้าหมีกันได้แล้วและอาตมาก็อยากจะบอกญาติโยมว่าถ้าใครอยากจะระลึกชาติได้ก็ให้มันจเจริญกรรมฐาน แล้วระลึกชาติได้เมาาื่อไรเมื่อ น, นั้นโยมก็จะรู้ว่าการเวียนว่ า, ายตายเกิดมันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นอัตมาตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยนะว่าอย่าให้ต้องเกิดอีกจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ไม่ต้องการทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละถ้ากรรมยังไม่สิน้นก็จำจะต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดก็ตามเอาละ ใครมีอะไรจะปรึกษาหาหรือกอเชิญ